พูดถึงในตันหาวักเรื่องพระกปิละเนี่ยนะกล่าวว่าในอดีตการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสะปรินิพานแล้วกุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักของพระสาวกทั้งหลายคือพระพุทธเจ้านิพานจริงแต่ว่าสาวกที่มีคุณธรรมนี่ยังมีอยู่กุลบุตรสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่าโสทนะคนน้องชื่อว่ากปิละส่วนมารดาของคนทั้งสองนั้นชื่อว่าสาธนีน้องสาวชื่อว่าตาปนา น, นะหญิงทั้งสองก็บวชแล้วในสำนักของพิสุนีคือครอบครัวนี้บวชสี่ท่านด้วยกันลูกชายทั้งสองคนก็บวชแม่กับน้องสาวก็บวชเมื่อคนเหล่านั้นบวชแล้วอย่างนั้นพี่น้องทั้งสองก็ทำวัดและปฏิบัติแก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌายะอยู่มาวันหนึ่งก็ถามท่านว่าธุระในพระศาสนานี้มีเท่าไหร่นอยากรู้ศาสนาเนี่ยมีธุระจริ ง, รงๆอะ่ะเท่าไหร่ก็ตอบว่ามีอยู่สองอย่างคือคันธะธุระกับ วิปัสนาธุระคันธาธุระก็คือธุระในการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกอย่างหนึ่งอย่างที่สองวิปัสนาธุระหมายถึงศึกษาคําสอนเข้าใจระดับหนึ่งแล้วก็เน้นไปที่การเจริญเน้นไปที่การบําเพ็ญเนี่ยนะพิกษุผู้พี่ก็คิดว่าเราจับําเพ็ญวิปัสนาธุระอยู่ในสํานักแห่งพระอาจารย์และพระอุปัายะห้าภษาแล้วก็เรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหรันต คือเขาเรียนภ า, ายในห้าพรรษาศึกษาศีลข้อวัดปฏิบัติไว้เป็นอย่างดีแล้วเสร็จ แ, แล้วพอครบห้าพรรษาหลังจากนั้นก็มาทำความเข้าใจถึงวิธีที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะมันสามารถเป็นได้ยังไงเรียกว่าเรียนกรรมฐานแต่เบื้องต้นจนจบเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นได้ยังไงจนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าป่าพยายามอยู่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะ หมายว่ารู้แนวทางอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าบรรลุอะไรบรรลุยังไงบรรลุแล้วละอะไรรู้อะไรทำให้แจ้งอะไรเจริญอะไรเนี่ยท่านเข้าใจอย่างดีแล้วนะท่านจึงท่านจึงไปปฏิบัติส่วนน้องชายก็คิดว่าเรานี่ยังหนุ่มก่อนนะนะอายุยังไม่มากเดี๋ยวแก่ๆ แ, แล้วค่อยจากบาเพ็ญวิปัสนาธุร ะ, ะนะเราอายุไม่มากนะอายุมากๆ ก, ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติก็ได้ก็เริ่มตั้งคันธุระเรียนพระไตรปก นะทีนี้ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีพันเรียนไม่นานก็จำหมดเลยทรนะงจำแตกฉานมากบริวารเป็นอันมากก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัตของเธอนะเรียนมากก็ลูกศิษย์ก็เยอะเนี่ยนะก็สอนคนอื่นทีนี้พอบริวารมากลาบก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยบริวาร น, นะสูตรเข้าง่ายๆนึงก็คือไปเรียนเรียนมีความรู้มากมีลูกศิษย์ลูกศิษย์มากมีมีลาบทีนี้พอลาบมากๆอะไรเกิด มานะกอกลาหรือที่เรียกว่าเมาทั้งหลายนะความเมาก็เกิดขึ้นเมาในความเป็นผู้ผู้เป็นปหูสูตรคือมีความคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้มากเรียนมากรู้เยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความทะเยอทยานในลาบก็ครอบงำนะเพราะเป็นผู้สำคัญตัวว่าฉลาดยิ่งนะมีความรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยเราฉลาดที่สุดเห น, น พอเริ่มฉลาดมากๆเข้าอะไรเกิดเหนี้ท้ามานะคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกเรานี่แหละรู้ที่สุดไม่มีคนอื่นรู้เหมือนเราสิ่งที่ทำต่อมาก็ผลงานชิ้นโบแดงเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าควรท่านบอกไม่ควรนะพระพุทธเจ้าแคบอกบองบงบอกว่าใช้ได้ท่านบอกใช้ไม่ได้นะเริ่มพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรนะท่านบอกไม่เป็นไรทำไปเลยอย่างนั้นอันนี้ควรใช้ได้เท่านั้น พอผู้เผเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มีโทษท่านบอกไม่มีโทษไม่เป็นไรทําไปเถอะนะคล้ายๆกับสมัยนี้ได้ยินกันบ่อยๆนะมูสาวาตไม่มีโทษอัตมายังมูสาเลยมันไ ม, ไม่เป็นไรพูดโกหกไปเถอะนะถ้าโกหกแล้วเขาทําดีอย่างนั้นนะมีงานอยู่งา น, นงอสองงานแล้วที่ได้ยินเนี่ยนะไม่รู้วิบากหัวอะไรมาก็กไม่ทราบนะพระเถระท่านขึ้นต้นเลยนะถ้าหากว่าเราโกหกแล้วเขาไปทําดีไม่เป็นไรโกหกไปเถอะอัตมาก็ทํามาแล้วอย่างนะั้นะ <ś led> ชั่วคนเดียวยังไม่พอสักชวนคนอื่นอีกนะนี่ก็เหมือนกันนะะพระองค์พูดถึงมุสาวาทเนี่ยว่ามันมีโทษอย่างนั้นอย่างงั้นก็ไปที่ไหนก็เทศรมุสาวาทไม่เป็นไรนะก็ลักษณะเนี้อ น, นี้พอเป็นตัวอย่างอนะว่าอย่างนี้ก็มีอยู่มันพระพุทธเจ้าว่ามีโทษท่านบอกไม่มีโทษทีนี้พอทําอย่างนั้นเข้าภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักก็กล่าวว่าคุณกะปิละคุณยจะได้กล่าวอย่างนั้น คนที่ศึกษาและเรียนพระธรรมอยู่ก็มีแต่เขาอาจจะไม่ถึงแตกฉานมากขนาดนั้น น, นะะแต่เขามีฮิริโอตาปะก็ไปกล่าวว่าแล้วก็แสดงธรรมและวินัยสอนอยู่นั่นนะเสร็จแล้วพระกปิละเขาบอกว่าพวกท่านา จ, จะไปรู้อะไรพวกท่าน่ะเช่นกับกรรมมือเปล่า น, นะแต่ละคนไม่มีใครรู้จริงเท่าเราสักอย่าง น, นะเราทรงทั้งพระไตรปิฎกนี่จําได้หมดเลยแล้วก็เที่ยวขู่ตวาดภิกษุทั้งหลายอยู่ ดังนั้นใครก็ตามถ้าดูแล้วมาเป็นปฏิปักษ์มาตติเตียนที่ชั้นพูดนี่ก็เริ่มนะขัดเริ่มสมมุติถ้าวัดใหญ่ๆหน่อยก็เริ่มจัดไล่พระพิสุทที่มีศีลมีธรรมกล่าวตามธรรมวินัยเริ่มคัดออกจากวัดลนะเริ่มไล่ออกครั้งนั้นพิสุทั้งหลายก็บอกเนื้อความนั้นแก่พระโสนะเถระผู้เป็นพี่ชายของเธอเนี่ยนะพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์นั่นนะทีนี้พี่ชายก็เลยเข้าไปหาเธอตักเตือนว่าคุณกปิละ ก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายผู้เช่นเธอชื่อว่าเป็นอายุของาศาสนาคือท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้มากมีชื่อเสียงมากมีบริวารเยอะถ้าท่านเป็นคนปฏิบัติดีนะาศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบและ อย่าได้กล่าวคัดค้านสิ่งที่เป็นกัปปิยะเป็นต้นอย่างนั้นเลยนะขอให้พูดตามพระคำสอนเธอท่านอย่าไปพูดบิดเบือนคำสอนเลยคำสอนว่าควรท่านก็จงว่าควรคำสอนว่าไม่ควรท่านก็จงว่าไม่ควรเธอก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อถ้อยคำของท่านนะพรหันมาเตือนก็ก็ไม่ไม่สนใจละเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเถระก็ตักเตือนเธอสองสามครั้งก็ทราบว่าเธอไม่รับคาตักเตือน ว่าพิสูุนนี้ไม่ทําตามคําของเราจึงกล่าวว่าคุณท่าดังนั้นเธอจักปรากฏด้วยกรรมของตนนะก็คือเขาบอกว่าถ้าตักเตือนแล้วไม่ได้ผลก็อย่าละเลยอุเบกขาเหม ง, งนกนนะก็ใส่ใจว่าเออเขาก็มาด้วยกรรมของเขานะนี่ก็บอกว่าสิ่งที่คุณทํานั่นแหละจักปรากฏแก่คุณเองนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทาไปคงรู้อยู่แล้วว่าทาอะไรลงไปเนี่ยนะคือ ปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะการเจตนาที่เกิดขึ้นเช่นมานะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตรงต่อตัวเองก็ถึงไม่ตรงก็รู้ว่าตัวเองมีมานะแต่ไม่ยอมรับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบาปอากุศลเวลาเกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลนั้นก็จักรู้แต่ว่าโดยมากไม่ได้คำนึงถึงว่าจะมีผลต่อไปอย่างไรพระเถระก็เลยหลีกไปคือหมายก็ว่าถ้าพูดมากกว่านี้ถ้าน้องชายโกรธอะไรจะเกิด โกรธพลาดอาหารอีกหนักเพิ่มขึ้นอีกนะแค่นี้ก็พอบอกอย่าไปเตือนเขามากถ้าเตือนเขามากเขาโกรธคนเตือนอีกจะเป็นหนักกว่านั้นอีกนะทำลายคําสอนนี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วมาโกรธพลาดอาหารอีกไปกันใหญ่เลยจําเดิมแต่นั้นพี่สุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักแม้เหล่าอื่นก็ทอดทิ้งเธอแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในบริเวณนั้นวัดนั้นเนี่ยคนมีศีลดีไม่มีอยู่เลยสักคนเดียวเธอเป็นผู้มีความประพฤติชั่วอันผู้มีความประพฤติชั่วแวดล้อมอยู่ เหมือนกับในสมัยพุทธกาลใช่ไหมพูดถึงภาษาริบุตรนี้ก็มีพระผู้ใฝ่ปัญญานี่เป็นบริวารพระโมกัลานะก็มีพระพิสุผู้มีฤทธิ์เป็นบริวารพระอรุทธะก็มีพระที่มีตาทิพย์เนี่ยเป็นบริวารพระอนุก็มีพระที่เป็นพหูสูตรเป็นบริวารพระเทวทัตก็มีบริวารเหมือนกันนะมีผู้ที่ปรารถนาลามกเป็นบริวารเนี่ยนะคือมันเป็นไปตามธาตุจริงๆว่างั้นเถอะวันหนึ่งท่านคิดว่าเราเนี่ยจักสวดปาติโมก จึงถือพัดไปนั่งบนธรร ม, มาทในโรงอุโบสถแล้วนีนะนะคือคล้าวันนี้เป็นวันอุโบสถยังไงนะก็ถามว่าผู้มีอายุปาติโมกย่อมเป็นไปเพื่อพิสูจน์ทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในที่นี้หรือนะนะหมายความว่าพวกเราเนี่ยยังต้องใช้ปาฏิโมกอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นนะทางคำถามว่าพวกเราย่งยังใช้ปาติโมกกันอยู่หรือหรือว่ายังปฏิบัติตามอยู่หรือเปล่าพิสูจน์ทั้งหลายก็นิ่งคิดว่าประโยชน์อะไร ด้วยคําโต้ตอบที่เราให้แก่พิสุคือลูกศิษย์เนี่ยยึบหมดเลยนะท่านก็เลยพูดต่อไปว่าผู้มีอายุทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีอันนี้เริ่มอันนี้หนักที่สุดแล้วนะสรุปแล้วว่าคํำสอนไม่มีประโยชน์เนี่ยนะพระไตรปิฎกไม่มีประโยชน์แล้วทำกับวินัยก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่มีประโยชน์ประโยชน์อะไรด้วยปาฏิโมกข์ที่พวกท่านจะฟังหรือไม่ฟังเพราะฉะนั้นจะแสดงหรือไม่แสดงสวดหรือไม่สะดวก ก็ไม่มีประโยชน์อะไรละอย่างนี้ก็ลุกไปจากอาสนะเธอยังาศาสนาคือปริยัติของพระผู้มีพระภาคพะนามว่ากัสปะให้เสื่อมแล้วด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะเริ่มบิดเบือนก่อนพอบิดเบือนเสร็จก็พาคนอื่นปฏิบัตินอกนอกธรรมนอกวินัยนอกคาสอนแม้พระโสนาเถระก็ปรินิพพานในวันนั้นเองเนี่ยนะวันที่น้องชายกล่าวประกาศว่ า, าศาสนาไม่มีประโยชน์เนี่ยนะ ในการสิ้นอายุภิกษุกปิละก็เกิดในอเวจีมหานรกนั่นนะจริงเรื่องก็ไล่มาไม่ยากอะไรนะตอนแรกก่อนอาศัยที่เรียนมากก็ลูกศิษย์เยอะพอลูกศิษย์เยอะลาบมากพอลาบมากก็เมาพอละพอเมามากๆก็บิดเบือนคําสอนพอบิดเบือนคําสอนเขาก็ทําลายคนมีศีลออกไปกําจัดคนมีศีลแล้วก็พาปฏิบัตินอกเรีดนอกรอยมากๆขึ้นในที่สุดก็ ทำลายหมดเกลี้ยงเลยนะทำลายแม้กระทั่งศาสนาที่ใครควรจะปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเองก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ตายไปพอตายก็เกิดในเวจีมหานรกมาราและน้องสาวของเธอนั้นถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแหละแปลว่าเอาพระกปิละนี่เป็นตัวอย่างนะแม่กับน้องสาวก็เอาพระลูกชานั่นแหละเป็นตัวอย่าง ดาบบริพาทภิสูุนทั้งหลายผู้มีศีลอันเป็นที่รักแล้วก็บังเกิดในอเวจีมหานรกเหมือนกันเนี่ยนะที่บวชเป็นพิกษุนีเนี่ยนะแม่น้องสาวตกนรกทั้งคู่อันนี้พูดถึงฝ่ายพระก็เลยมาหาโจรบ้างก็มีโจรห้าร้อคนเนี่ยนะทโจรกรรมปล้นชาวบ้านเป็นต้นด้วยกิริยาของโจรถูกมนุษย์ในชนบทตามจับแล้วก็หนีเข้าป่า ไม่เห็นที่พึ่งอะไรในป่านั้นเห็นภิกษุอยู่ในป่าเป็นวัดเนี่ยนะรูปหนึ่งไปถึงก็ไหว้โจรห้าร้อยไปปล้นชาวบ้านก็ตามจับมานะก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่นะโจรไปขอให้ขอพึ่งพระนะพระเถระก็กล่าวว่าเชื่อว่าที่พึ่งเช่นกับศีลย่อมไม่มีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหมดจงสมาทานศีน่าเถิดนี่นะพระเนี่ยก็แ น, นะ ให้สมาทานศีลห้านะแหมโจรปล้นมาแล้วบอกให้โจรสมาทานศีลห้าเนี่ยนะแสดงว่าพระรูปนี้ไม่เบาต้องมีความสามารถสูงมากพอแหมโจรเพิ่งไปปล้นมาบอกให้สมาทานศีลเนี่ยนะนีได้ที่ไหนบ้างใชหายากแตก่ก็ลักษณะนี้ก็มีในเมืองไทยก็ยังมีเมื่อหลายปีก่อนโน้นมีพระรูปหนึ่งไปอยู่ในปา่าก็มีโจรคนเพิ่งไปฆ่าคนมาเสร็จนะก็ก็มาทางวัดพอดีนะพระท่านจับให้สมมาทานศีลอยู่ตั้งหลายวันเลย ก, ก็มีความสามารถพอสมควรแหละจึงจะให้คนที่ไปทำผิดศีลมาแล้วก็สมาทานศีลได้โจรก็รับวาสาทุอย่างนี้แล้วก็สมาทานศีลพระเถระก็ตักเตือนโจรเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะพอสมาทานนะท่านก็มีศีลแล้วพวกท่านไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลยความประทุษร้ายทางใจก็ไม่ควรทาโจรก็บอกสาทุ น, นะนต่อไปนะ ต้องไม่ผิดศีลถึงจะตายก็ยอมยอมตายอยู่กับศีลแล้วต้องไม่โกรธด้วยนะนนะรักษาศีลกับความไม่โกรธที่จริงอศีลกับความไม่โกรธเป็นของคู่กันครั้งนั้นชาวชนบทเหล่านั้นมาถึงที่นั้นแล้วก็ค้นหาข้างโน้นข้างนี้พบโจรนั้นแล้วก็ช่วยกันปรองชีวิตเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นทํากาละก็บังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรแต่เชื่อไหมหัวหน้าโจรหรือโจรกลุ่มนี้ยนะบําเพ็ญบารมีมาแสนกลับแล้ว น, นะ จวนกลุ่มนี้บาเพ็ญบารมีมาแสนกลับนะแต่ว่าด้วยผลของการท่องเที่ยวไปในวัดตะสงสารก็ยังมีการพลาดไปทําบาปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าท่านตั้งความปรารถนามาแสนกลับลนะเป็นเอตทักฆะด้านอเนชชาสมาบัติเนี่ยนะหัวหน้าโจงคก็นะคือพระยะโสชาเถระเนี่ยนะซึ่งตอนหลังก็เป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกนั่นเอง ทีนี้เทพบุตรเหล่านั้นก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกสิ้นพุทธันดอนหนึ่งด้วยอํานาจอนุโลมปฏิโลมคือจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์นี้เนี่ยนะไม่มีสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งที่จะอยู่ได้นานจนครบจะต้องขึ้น น, นะนะขึ้นสมมติจะขึ้นตนะั้มมนนงแต่ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมมิตาวสวัสดีแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยหลายครั้งนะจึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอีกอีกองค์หนึ่งกว่าจะถึงกันเนี่ยนะเพราะว่า คงอีกหลายร้อยล้านปีหรืออาจจะเป็นพันพันล้านปีเนี่ยนะกว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเสร็จแล้วก็มาเกิดในตระกูลชาวประมงเนี่ยนะใกล้ประตูพระนครสาวัตถีนนะก็ไอความที่อุปนิสัยที่เคยทําบาปนะก็ทําให้ได้ปัจจัยมาเกิดในตระกูลชาวประมงหัวหน้าเทพบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงเทพบุตรนอกนี้ถือปฏิสนธิในเรือนของชาวประมงนอกนี้ การถือปฏิสนธิและการออกจากท้องของมารดาได้มีในวันเดียวกันเนี่ะทีนี้พอหลังจากที่คลอดมาแล้วหัวหน้าชาวประมงก็สแสวงหาว่ามีทารกในหมู่บ้านเนี่ยเกิดในวันเดียวกันเนี่ยมีบ้างไหมก็ได้ยินความที่ทารกเหล่านั้นเกิดแล้วก็สั่งให้ซับค่าเลี้ยงดูแก่ชาวประมงเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่าพวกทารกนั้นจะเป็นสหายบุตรของเราะ อยากให้ลูกเป็นหัวหน้านะพ่อแม่ก็ไปเที่ยวจ่ายค่าเลี้ยงดูกับเด็ ก, ดกๆอื่นๆทั้งหมดจะได้มาเป็นลูกน้องลูกเรากันนะทารกเหล่านั้นแม้ทุกคนก็เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันได้เป็นผู้เจริญวัยแล้วโดยลําดับบรรดาเด็กเหล่านั้นบุตรหัวหน้าชาวประมงเป็นผู้เยี่ยมโดยยศและโดยอํานาจเนี่ยนะก็ยศก็แปลว่าบริวารมากอํานาจคือพูดแล้วลูกน้องต้องทําตามหมดทีนี้ฝ่ายพระพิสุบัง้งพระพิสุกปิลละเนี่ยนะ ไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งในการนั้นก็มาบังเกิดเป็นปลาในแม่น้ำอจิรวดีมีสีเหมือนทองคำมีปากเหม็นด้วยเศษแหงวิบกักเนี่ยนะก็พวกโจรมาเกิดเป็นลูกชาวประมงพระพิสูรรูปนั้นพ้นมาจากนรกเนี่ยนะมาเกิดในเป็นปลาแต่ว่าหนึ่งพุทธันดรเนีนะตกนรกเนะี่ยจากนรกมาสู่เดาชานอยู่มาวันหนึ่งสหายเหล่านั้นปรึกษาว่า พวกเราเนี่ยจับจับปลาจึงถือเอาเครื่องจับสัตว์น้ำมีแหเป็นต้นทอดไปในแม่น้ำทีนั้นปลานั้นได้เข้าไปสู่ภายในแหของคนเหล่านั้นชาวประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้วก็ได้ส่งเสียงเอ็ดเอืงว่าลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรกก็จับได้ปลาทองแล้วนะพอแม่นี้ดีใจใหญ่เลยนะที่ลูกเก่งมากจับได้ปลาทองว่างั้นคราวนี้พระราชาจักพระราชทานทรัพย์แกเราอย่างเพียงพอ สหายแม่เหล่านั้นก็เอาปลาเนี่ยใสยเรือยกเรือขึ้นแล้วก็ไปสู่สํานักพระราชานะจับได้ปลาทองก็เอาปลาแบบให้แบบเป็นๆหน่อยนะเอาไปให้พระราชาดูพระราชาพอทอดพระเนตรเห็นปลานั้นก็ตรัสว่านั่นอะไรพวกเขาก็กราบทูลว่าปลาพระเจ้าค่ะพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานี่มีสีเหมือนทองคําก็เลยคิดว่าพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าจากทรงทราบเหตุที่ปลานั้นอ่ะเป็นทองคําอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้คนเนี่ยถือเอาปลา ให้เสร็จไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปากอันปลาเนี่ยนะพออ้าเท่านั้นนะ่ะพระเชตวันทั้งสิ้นได้มีกลิ่นเหม็นเหลือเกินเนี่ยนะนะปลาอ้าปากหน่อยเหม็นทั้งวัดเชตวันอ่ะนะบริเวณก็ไม่ใช่เป็นร้อยไร่อ่ะนะเหม็นตกไปหมดเลยนะพระราชาอ่พระราชาคือพระเจ้าเประเซนที่โกศลอ่ะนะถามพระศาสดาว่า พระเจ้าข้าเพราะเหตุไรปลาจึงมีสีเหมือนทองคำเพราะเหตุไรกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปลาของจากปากของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษปลานี้ได้เป็นภิกษุชื่อว่ากปิละเป็นพหูสูตรมีบริวารมากในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสป ะ, ะนะเป็นภิกษุในพระพุทธเจ้าองค์ก่รถูกความทยานอยากในลาบครอบงําด่าปริภา่ภิกษุ ผู้ไม่ถือเอาคำของตน น, นะไปด่าผู้ที่มีศีลที่ไม่เชื่อตัวเองอ่ะ น, นะอย่างพระศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พนามว่ากัสปะให้เสื่อมลงเสร็จแล้วเขาก็บังเกิดในอเวจีด้วยกรรมนั้นบัดนี้ก็เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งบิบากก็เพราะเธอบอกพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคา ด้วยผลแห่งกรรมนั้นที่ที่กล่าวพุทธพจน์สรรเสริญพระพุทธคุณนะทำให้มีสีเหมือนทองเธอได้เป็นผู้บริภาทคือด่าภิสูุนทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอด้วยผลแห่งกรรมนั้นนะนะมหาบพิษอาตมาจะให้ปลาพูดพระพุทธเจ้าจะให้ปลาพูดเนี่ยนะพระราชาก็บอกให้พูดเธอพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าเชื่อกาพิละหรือปลาก็บอกว่า ข้าพระองค์ชื่อกปิละเจ้ามาจากไหนบอกมาจากอเวจีมหานรกเอาโสทนะพี่ชายของเจ้าไปไหนบอกปรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะนางสาธนีมารดาของเจ้าล่ะก็บอกเกิดในนรกเหมือนกันเอาน้องสาวตาปนาไปไหนก็เกิดในมหานรกเหมือนกันแล้วบัดนี้เจ้าจะาไปไหนนะไปไหนดีปลากปิละกราบทูลว่าจะไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระเจ้าค่ะ ดังนี้แล้วอันความเดือดร้อนครอบงามเอาสีสาะฝ้าเรือทำกาละในทันทีนั่นเองเกิดในนรกแล้วนะพอฟังว่าเกิดนรกคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเห็นก็บอกว่าคนเนี่ยลุกสู้เลยนะกิดกัโลมาชาติชูชันพระผู้มีพระภาคตรวจ ด, ดูวาระ จ, จิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นก็เลยแสดงธรรมให้สมควรแก่ขณะนั้นปองก็เลยตรัสกปิญสูตรในสุตสตะนิบาศเนี่ยนะ พระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่น่าฟังะนะที่ในสุตตะนิบาทชื่อว่ากปิละสูตรข้อความในธรรมมัจริยสูตรหรือกปิละสูตรเนี่ยนะข้อสามร้อยยี่สิบเอ็ดคัมภีร์คุธกานิกายสุตตะนิบาทฉบับเราก็เล่มสี่ิบเจ็ดนะกล่าวว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกยะและโลกุตระทั้งสองอย่างนี้คือธรรมจริยาและพรหมจริยาว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่อันสูงสุดถึงแม้บุคคลออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนะถ้าพูดสำนวนเราบอกว่าผู้ที่ออกเป็นบนรรพชิตนะการปฏิบัติเป็นธรรมะการปฏิบัติเป็นพรหมจรรย์นี้ประเสริฐที่สุดสูงสุด นนะก็หมายถึงการประพฤติสุดจริตสามทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนั่นเองถ้าบุคคลนั้นเป็นชาติปากกล้ายินดีแล้วในความเบียดเบียนผู้สแสวงหาอยู่คือเบียดเบียนพระริยะเนี่ย น, นะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นเลวสามย่อมยังกิเลสทุลีมีราคะเป็นต้นของตนให้เจริญภิกษุผู้ยินดีแล้วในความทะเลาะถูกธรรมะคือโมหะหุ้มห่อแล้ว ย่อมไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว น, นะถ้าอาวิชากลุ่มรุมมากๆเนี่ยนะถึงเป็นผู้แสดงธรรมะอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะเหล่านั้นนีนะแม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชาหุ้มห่อแล้วทำตนที่อบรมแล้วให้ลำบากอยู่ก็ทำพระอริยะให้เดือดร้อนเนะี่ยย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองย่อมไม่รู้ทางอันให้ถึงนรกเนี่ยนะนะ เมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตจากคันเข้าถึงคันจากที่มืดเข้าถึงที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงความทุกข์ก็บุคคลใดผู้มีการงานเศร้ามองเห็นปานนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มไปด้วยบาปเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคูดฉะนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยียนหมดจดได้โดยยาก ดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้มีความปรารถนาลามกมีความดำริลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นป่านี้เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพียงการเว้นบุคคล น, นั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังแกลบจงฆ่าบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อออกไปเสียแต่นั้นจงขบบุคคลผู้รีบ ไม่ใช่ส ม, มณนแต่มีความสำคัญว่าเป็นส ม, มณะไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคโจรลามกออกไปแล้วเธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วมีความเคารพกันและกันจงสำเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจักกระทาที่สุดแห่งทุกได้นันะ อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ขึ้นอัตถะถาอธิบายว่าการประพฤติ ธ, ธรรมะมีกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าธรรมะจริยังในพระคาถานั้นมัคคพระมจริย์ชื่อว่าพรหมจริยังนะการประพฤติเป็นทำการประพฤติพรหมจริย์เนี่ยเป็นธรรมะที่สูงสุดอธิบายว่าพระอริยแท ทั้งหลายกล่าวถึงการประพฤติสุจริตทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งสองนี้ว่าเป็นสมบัติสูงสุดเพราะยังสัตย์ให้ประสบความสุขในสวรรค์ลและนิพพานอธิบายว่ารัตนะอันอุดมคือรัตนะที่ไม่ทั่วไปแก่ชนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นเพราะรัตนะนั้นที่สามารถติดตามชนทั้งหลายผู้สั่งสมบุญไว้แล้วชื่อว่าวสุตมะเนี่ยนะก็ พูดถึงการประพฤติอย่างนี้แหละประเสริฐที่สุดสูงที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าการปฏิบัติชอบเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของครือขัดและบรนประชิตได้เนี่ยนะคือถึงจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามการประพฤติดีประพฤติถูกต้องเท่านั้นแหละจึงจะประเสริฐที่สุดดีที่สุดบัดนี้เมื่อจะทรงติเตียนภิกษุชื่อกปิละหรือภิกษุผู้เช่นนั้นเหล่าอื่น ด้วยแสดงความไม่มีสาระในการบรรพชาเนี่ยนะนะคือไม่ได้สาระอะไรเลยจากการบวชว่าก็ผู้ใดผู้หนึ่งสละเพศครือขัดถ้าแม้บวช ด, ด้วยการบวชไม่มีเรือนจากเรือนนะเข้าถึงเหตุศักว่าปลงผมและการนุ่งผ้าย้อมน้าฝาดเป็นต้นเนี่ยนะก็คือโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะนะผ้าย้อมน้าฝาดเฉยๆถ้าหากว่าเป็นคนปากกล้า คือถื อ, อพูดคําหยาบยินดีในการเบียดเบียนเพราะพอใจในการเบียดเบียนอันมีประการต่างๆเป็นประดุดเนื้อร้ายเพราะเป็นผู้เช่นกับเนื้อร้ายไม่มีฮิริและโอตะปะ น, นะกลายเป็นคนดุเป็นคนหยาบ น, นะด่าคนมีศีลมีธรรมหมด น, นะด่าคนดีๆหมด น, นะเหลือไว้แต่พวกบาปบาปด้วยกันเป็นบริวาร บทว่าชีวิตตังตัสะปาปิโยความว่าชีวิตของบุคคลนั้นคือผู้เห็นปานั้นเป็นบาปยิ่งคือเลวยิ่งนะปาปโยเนี่บอกว่าเลวมากกว่านันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทำธุลีมีประการต่างๆมีราค่าเป็นต้นของตนให้เจริญขึ้นด้วยการปฏิบัตินี้ก็ชีวิตของบุคคล น, นั้นเป็นชีวิตที่ชั่วด้วยเหตุนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้โดยที่แท้บุคคลเห็นปานี้ นี้ได้แก่พิสูจนที่ยินดีในการทะเลาะเพราะเป็นคนมีปากจัดถูกโมหะธรรมเนื้องรัดแล้วเพราะถึงความงมงายในการที่จะรู้แจ้งถึงอัดแห่งสุภาษิตอันนะัก็คือไม่เข้าใจคำสอนเลยนะย่อมไม่ทราบชัดแม้ซึ่งถ้อยคำที่พิสูนทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวแล้วอันนะคนมีศีลมาตักเตือนก็ไม่เชื่อโดยในเป็นต้นว่าท่านกปิระ ผู้มีอายุท่านจะได้พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดผิดศีลผิดธรรมคนอื่นมาเตือนก็ก็ไม่ฟังละใครห้ามก็ไม่ยอมก็เลยจงยึดถือเรื่องนั้นโดยปริยายนี้ว่าไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คือไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วแม้ตนจะกล่าวอยู่โดยประการต่างๆแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของพิสูจนนั้นก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ชั่วคือ กล่าวคำสอนอยู่แต่ไม่ได้มีความเข้าใจในคำสอนเลยกลับทำบาปมากขึ้นมากขึ้น น, นะนะตหนิคนอื่นมากขึ้นด่าคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะด่าคนมีศีลทั้งหลายเนี่ยนะใครที่ทุศีลแต่มาเป็นบริวารของเราไม่เป็นไรอย่างง้นะครั้งนั้นพิสุเห็นปานนี้นั้นเพราะเหตุที่ตนพอใจในการเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนอยู่ซึ่งตนที่อบรมคือเบียดเบียนอยู่ซึ่งพระขีณาสพผู้มีตนอันอบรมแล้ว คือเบียดเบียนท่ารหันมีพระโสธนะเทระเป็นต้นเบียดเบียนพี่ชายว่าท่านเนี่ยบวชเมื่อแก่เท่าไม่รู้พระวินัยไม่รู้พระสูตรไม่รู้พระอภิธรรมนะนะนั่นนะตำหนิพระอริยะใหญ่เลยนะว่าบวชอายุมากแล้วเรียนก็ไม่มากจะรู้อะไรไงนะก็ตําหนิใหญ่เลยนะเสร็จแล้วตัวเองก็กล่าวบิดเบือนคําสอนไปเรื่อยไปเรื่อยนะนะบทว่าอาวิชายาปุรัคคโตความว่าผู้ถูกอวิชยา มีการปกปิดโทษเป็นต้นนะอวิชชาเนี่ยนะลักษณะของเขาก็คือเขาบอกว่าได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้คือได้ทุจริตสามอย่างที่ไม่ควรได้ส่วนสุดจิตสามอย่างควรได้มากอาวิชชาเนี่ยทำให้ไม่ได้อันนี้นีลักษณะของอวิชชาเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีอวิชชาเนี่ยนะถึงว่าเบื้องหลังจะรู้อะไรมามากมายขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่ได้สุดเจริตสามที่ควรได้อย่างนี้ชื่อว่าวิชาไปได้ทุเจริตสามอย่างออย่างนี้แหละเรียกว่าวิชาละเพราะฉะนั้นไปเบียดเบียนท่าอริยะแล้วเนี่ยนะจึงไม่รู้จักสังกิเลสโดยพิฆาตจิตในปัจจุบันอันเป็นไปแล้วนะทำลายจิตตัวเองก่อนนะนะทำลายจิตตัวเองด้วยการไปเบียดเบียนท่าอริยะ โดยการเบียดเบียนตนที่อบรมแล้วของบรรปะชิตที่เหลือทั้งหลายและไม่รู้จักทางที่จะไปสู่นรกนีนะไอจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนั้นอ่ะเป็นทางไปสู่นรกโดยกระทําตนให้เข้าถึงนรกต่อไปเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตอันต่างโดยอบาย4เป็นต้นโดยทางนั้นนะ น, ะนรกเปรตอสุรกายเดรฉ า, านและในวินิบาตนั้นเข้าสู่คันจากคันหมายคำว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องไปเรื่อยนะ จากท้องสัตว์นี้ไปถึงซองท้องสัตว์นั้นอ่ะเช่นจากท้องปลาไปเกิดในท้องมดอย่างเงี้ยก็จากท้องสู่ท้องอยู่นั่นแหละจากที่มืดสู่ที่มืดคืออยู่ในคันมารดาในหมู่สัตว์หนึ่งสิ้นร้อยครั้งบ้างพันครั้งบ้างนะแปลว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องเนี่ยนะเป็นพันพัชาติอ่ะนะแต่ไม่ใช่ท้องในสุขตินะคือท้องในอบายสัส่วนใหญ่จากความมืดคืออสุรกายสู่ความมืด คือแม้แต่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่อาจขจัดได้ก็แปลว่าเกิดในโลกักตนรักษ์นะจากโลกั น, นรกสู่โลกั น, นรกอย่างนั้นแหละภิกษุเช่นนั้นนั่นแหละละไปแล้วคือจากโลกนี้สู่ปารโลกแล้วเข้าถึงทุกขมีประการต่างๆเหมือนปลาชื่อว่ากปิละใช่ไหมมาเกิดเป็นปลาก็หนักแล้วใช่ไหมเจอพระพุทธเจ้าแทนที่จะไปดีนะแทนที่จะมีศรัทธากลับเดือดร้อนใจในบาปที่ตนทํามาตกนรกไปอีก นนะถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเหมือนหลุมคูดพึงเป็นเหมือนหลุมที่หมักหมมอยู่นานปีเต็มเปี่ยมไปด้วยคูดคือว่าเปรียบเหมือนหลุมคูดในเวจ ก, กุตีนั น, นะหลุมคูดที่ซ่วมมันนะหมักห ม, มมอยู่นานปีคือสิ้นปีเป็นเอเนกพึงเต็มบริบูรณ์อยู่ด้วยคูดถึงขอบปากเป็นเวลาหลายปีหลุมคูดแม้นั้นอันบุคคลล้างอยู่ด้วยน้ําตั้งร้อยหม้อตั้งพันหม้อล้างให้สะอาดได้ยาก ขจัดกลิ่นเหม็นและสีที่น่าเกลียดให้ปราศจากไปได้โดยยากนะเขาบอกว่าหลุมซ่วมจริงๆอ่ะจะเอาน้ําสักเท่าไหร่นะไปล้างให้สะอาดนี่ไม่ง่ายเหมนบุคคลเห็นปานนี้ใดพึงเป็นผู้มีการงานเศร้าหมองสิ้นกาลนานเหมือนหลุมคูดเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยบาปเพราะเพียบพร้อมไปด้วยคูดคือบาปก็บุคคลเห็นปานนี้นั้นมีการงานอันเศร้าหมองเป็นผู้ชําระให้สะอาดได้โดยยาก แม้จะสเสวยวิบากแห่งกิเลสเพียงนั้นสิ้นการนานก็หาบริสุทธิ์ได้ไม่ น, นะบอกว่าถึงจะตกนรกหอกไม่ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะล้างออกมาง่ายๆนะจะให้ย้อนกลับมาสู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาคืนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะกระวชชำระทำให้สะอาดคืนยากเพราะอะไรเพราะว่าแม้ชีวิตที่คนอื่นเข้ามาเจอพระพุทธศาสนาใช่ไหมมาประพฤติ ด, ดีปฏิบัติตามปฏิบัติชอบทำจนบรรลุมรรคผลนิพพานเขาพ้นทุกข์นนะ เจ้านี้มาทําลายอย่างเดียวนะมาทําลายหมดเลยนะแทนที่ที่จะปฏิบัติตามกลับมาทําตรงกันข้ามกับคําสอนหมดเลยไม่ยอมรับว่าคําสอนนั้นจะช่วยออกอ่านะช่วยให้พ้นจากทุกได้ด้วยปฏิเสธทำปฏิเสธวินัยไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยแทนที่จะไปดีก็กลับมาเจอทางออกเลยนะก็ปิดทางออกไว้เบ็ดเสร็จหมดอ่ะนะาเนินว่าโอ้เนี่ยทางออกนะทางอมตะก็ไปหาอะไรมาก่อให้มันเป็นแบบ กอเทาวอเนี่ยนะให้ออกไปไม่ได้ลักษณะนั้นภิกษุเช่นนั้นละไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกสิ้นการละนานแม้ประมาณมิได้โดยการนับปีท่านบอกว่าไม่ต้องไปนับหรอกโดยปีเนี่ยนะปีหนึ่งก็365วันใช่ไหมบอกว่าไอ้สามวันนับหนึ่งอย่างงี้ยนะก็บอกว่าปีนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแค่ที่ผ่านมานะที่อย่างจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงองค์นี้นี่ก็แผ่นดินสูงประมาณส0บยกิโลเมตรเนี่ยนะ ซึ่งโหเวลามันจะนานขนาดไหนหว่าแผ่นดินมันจะสูงขนาดนั้นเห็นไหมก็หลายพันล้านปีมา ก, ก น, นะเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับไปสู่นรกใหม่เมื่อไหร่จะออกก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าออกจากนรกจะไปไหนก็เดราชานกับนรกอยู่ดีนี่ยแหละก็วนๆอยู่แถวนั้นแหละนะทำมาเป็นก็เป็นมดเป็นปลวกอยู่นี่แหละที่มืดจากที่มืดสู่ที่มืดนะเพราะฉะนั้นกินปลวกไปเป็นปลวกไปอะไรไปเนี่ยนะพวก น, นี้แหละที่เรียกว่ากลุ่มที่เฝ้าสังสารวัตเป็นอย่างนี้นั่นแหละ